เดี๋ยวเรียนต่อไปนะครับตอนนี้เรียนสัจจะวิพังกสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องการจําแนกอริยสัจทั้งสี่ทุกขอริยสัจคือกายกับใจอันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นทุกขะสมุทัยอริยสัจคือตัณหา อันก่อให้เกิดพบคือการกระทาด้วยอำนาจอุปาทานอันใหม่ๆมไม่สิ้นสุดทุกขะนิโรธะคือความสิ้นไปของตัณหาแล้วก็ทุกขะนิโรธะคามินีปฏิปทาคืออริยมรตมีองค์8ประการตอนนี้เราเรียนมาจนกระทั่งถึงหน้าที่สบาลีข้อ 375ด้ว่าโดยเรื่องทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจซึ่งคืออริยมัตมีองค์8ประการได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิแยกตามสิกขาก็ว่า สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปโปนี้เป็นองค์ปัญญาสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะนี้เป็นศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้เป็นองค์สมาธิเริ่มต้นที่ปัญญาแล้วก็ฝึกฝนให้มีศีลมีสมาธิเป็นบาตรฐานก็เพื่อให้เกิดปัญญานี่อย่างนี้นะครับ อันอาจจะสงสัยว่าเอมีสัมมาทิฏฐินำหน้าแล้วมีสัมมาส ม, มาธิอยู่ที่หลังนี้มันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะทำไมจัดอย่างนี้อันนี้ก็หมายความว่าให้มีความรู้มีความเข้าใจนั้นนาหน้าแล้วก็ฝึกฝนฝึกฝนให้มีส ม, มาธิเพื่ออะไรล่ะก็เพื่อให้มีปัญญามีความเข้าใจนั้นแหละเริ่มต้นที่ความเข้าใจแล้วก็ฝึกฝนเพื่อให้เข้าใจเยอะขึ้นมากขึ้น นะตัวองค์รรมหรือว่าตัวมูลฐานบาทฐานที่จะทําให้เกิดปัญญาความเข้าใจเกิดสัมมาทิฏฐินั่นคืออะไรล่ะก็คือสัมมาส ม, มาธินะเริ่มต้นที่สั ม, มาธิฐินะให้มีความเข้าใจทีนี้ก็ฝึกฝนเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นไปอีกอะไรล่ะที่เป็นมูลฐานที่จะทาให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นไปอีกก็สัมมาส ม, มาธิทาให้เกิดปัญญานี่นะ ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ก็จะไม่งงเวลาที่ไปเรียนลำดับของการปฏิบัติอะไรต่างๆท่านก็จะบอกวิธีปฏิบัติว่ า, าเริ่มต้นปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้นะจนมีศีลนะมีสมาธินะจิตที่มีสมาธิมีความตั้งมั่นแล้วก็จะเห็นตามความเป็นจริงคือมีปัญญานี่ก็จริงๆก็เป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าในตอนที่แบ่งแยกเช่นนั้นท่านพูดถึงลำดับการปฏิบัติไปตามลำดับแต่ตอนนี้พูดถึง องค์อริยมรรคที่เกิดขึ้นมาในจิตนี่พูดคนละตอนกันนะครับองค์อริยมรรคที่เกิดขึ้นมาในจิตนี้เริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิก่อนคือต้องเริ่มที่ความเข้าใจก่อนแล้วก็ไปฝึกฝนเพื่อให้เกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้นนี่จิตที่เดินอย่างนี้มันจึงถูกต้องเป็นสัมมาคือทําให้ถึงความพ้นไปแห่งทุกข์ได้จริงนี่เดินอย่างนี้คือเริ่มต้นด้วยความรู้แล้วก็ฝึกฝนให้เกิดความรู้ยิ่งขึ้นไปจนกระทั่ง รู้แจ้งแทงตลอดนี่เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิแล้วก็ฝึกเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิยิ่งขึ้นจนกระทั่งแทงตลอดอันที่ตัวเองเคยฟังมาตอนต้นนั่นแหละที่เคยรู้มาตอนต้นนั่นแหละแต่ตอนต้นมันยังไม่แทงตลอดนี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหมนะครับฉะนั้นองค์สมาธิมันจึงเป็นองค์สุดท้ายในแง่ที่ว่าเป็นตัวที่จะทําให้เกิดสัมมาทิฏฐิเห็นไหมเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิแต่ว่าอันสุดท้ายกับกลายเป็นสัมมาสมาธิมันเป็นอย่างนี้ เพราะว่า ต, ตัวสัมมาสมาธินั้นเป็นตัวหนุนหรือว่าเป็นเหตุใกล้ที่จะทำให้เกิดสมาทิฐิคือปัญญาอีกต่อหนึ่งนะครับนี่นะต้องเข้าใจอย่างนี้จึงจะเข้าใจถูกต้องนะครับบางท่านไม่เข้าใจอย่างนี้เวลาไปพูดถึงการปฏิบัติธรรมก็จะพูดในแง่ถึงว่าโอปฏิบัติไปตามลาดับศีลสมาธิปัญญาไปแยกการปฏิบัติขาดออกจากกันไม่เป็นแบบอริยมรรค อ่าไปรักษาศีลบางคนก็ไม่ยอมฟังอริยสัจสักทีหนึ่งเพราะว่าถือว่าศีลผมยังไม่สมบูรณ์เลยยังไม่ต้องพูดถึงสมาธิหรอกฉะนั้นต้องพยายามรักษาศีลให้มันสมบูรณ์ซะก่อนอเขาว่าไปอย่างนี้ซะอีกแต่จริงๆคนจะมีศีลสมบูรณ์เขาต้องมีสัมมาทิฏฐิระดับหนึ่งคือเป็นพระโสดาบันซะก่อนถ้าอย่างเราจะมารักษาศีลให้มันสมบูรณ์ได้ไหมโอ้ไม่ได้น่ะเป็นไปไม่ได้ไม่มีคําสอนไหนบอกว่าอย่างนั้น มีแต่คําสอนที่บอกว่าพระโสดาบันเท่านั้นจึงจะมีศีลสมบูรณ์ไอเรานี่ไม่ได้ฝึกฝนให้มีสัมมาทิฏฐิเป็นพระโสดาบันจะมีศีลสมบูรณ์มันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้เขาก็พยายามมารักษาศีลให้มันดีอริยศาสตร์ก็ไม่กล้าฟังสัมมาทิฏฐิก็ไม่กล้ามีหรอกเพราะว่าศีลอยังไม่ดีเขาว่าอย่างง น, นะพอบางคนเขาเข้าใจผิดแล้วเขาก็พยายามรักษาศีลให้ดีเหมือนกันนะพอรักษาศีลให้ดีเขาก็ไปทําสมาธิ ทำสมาธิบางคนก็ทำสมาธิไม่ได้สักทีจิตไม่สงบอะไรเขาก็ไม่กล้าเจริญปัญญาเพราะอะไรเพราะเขาถือว่าสมาธิมันยังไม่ได้ต้องได้สมาธิสัก่อนมันก็วนเวียนกันอยู่เท่านี้ยนะวนเวียนกันไปวนเวียนกันมาบางคนทำทำไปอา้าวทำไปทำมามันลงล็อกหรือว่าเข้ากันได้แล้วมีปัญญาขึ้นมาก็ยังดีหน่อยแต่โดยส่วนใหญ่มันไม่ลงล็อกอย่างนั้นหรอกเพราะว่าคนโดยส่วนใหญ่ันเป็นพวกที่ต้องได้รับความแนะนําเป็นพิเศษต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นคนแนะนํา จะมีบางคนเท่านั้นที่บําเพ็ญบารมีมาเยอะฟังเสร็จแล้วบรรลุไปเลยหรือว่า ท, ท, ท, ทาําทําไปทำทำมาอ้าวค้นคว้าไปค้นคว้ามาฟังโน่นฟังนี่แล้วคลิกได้ด้วยตัวเองซึ่งมีอยู่น้อยคนนะส่วนคนนอกนั้นก็เป็นพุทธวิสัยคือว่าต้องอาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติไปตามลําดับให้มันได้อย่างนี้มันจึงจะได้นะฉะนั้นพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วก็เพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากนะคําสอนที่มีประโยชน์ต่อคนหมู่มากก็คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าคำาสอนของครูบาอาจารย์สมมุติว่าท่านไปปฏิบัติแล้วท่านทำประสบความสำเร็จแล้วท่านเอามาสอนเราพูดถูกสอนเป็นไงอาปากค้างไปเลยเพราะว่าไม่เหมือนกันนะบางคนก็ประสบความสำเร็จบางคนก็ไม่ประสบความสำเร็จโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าก็เป็นเรื่องของท่านไปแต่คาสอนที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากก็คือคาสอนของพระพุทธเจ้า ดังนั้นท่านจึงบอกให้เราเรียนให้ศึกษาเอาไว้แล้วก็บอกต่อๆกันไปเพื่อจะได้เป็นประโยชน์นะครับถ้าทําถูกแล้วจะไม่ยากทุกคนสามารถฝึกฝนไปตามทางนี้ได้แล้วก็คนไหนที่บารมีน้อยหน่อยก็ฝึกฝนได้เหมือนกันแต่ว่าก็จะช้ากว่าเขาหน่อยต้องความเพียรเยอะหน่อยคนไหนที่บารมีเยอะแล้วก็ฝึกได้เหมือนกันก็จะเร็วกว่าเขาหน่อยอย่างนี้ก็ได้ทุกคนนะครับถ้าเข้าใจถูกต้องก็จะเป็นอย่างนี้นะ แต่ถ้าเป็นคำสอนของคนอื่นถามว่าที่ท่านปฏิบัติมามันดีไหมมันถูกไหมถูกเหมือนกันแต่ถูกของท่านนะ่ะทีนี้ถูกของท่านแล้วถ้าท่านได้ดีไปท่านเอามาสอนคนอื่นอาจจะไม่ได้แล้วมันคนละแบบกันไม่เหมือนกับคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ต้องเข้าใจความต่างกันนะครับนี่ต้องเข้าใจหลักอริยมรคให้ดีๆนะครับนะต้องเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจที่ถูกต้อง แล้วก็เอาไปฝึกฝนฝึกฝนไปก็จะเพื่อได้ความเข้าใจที่ถูกต้อง น, นั่นแหละท่านจึงเริ่มต้นด้วยองค์สัมมาทิฏฐิแล้วจบลงที่องค์สัมมาสมาธิเพราะว่าตัวสัมมาสมาธินี้จะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสัมมาทิฏฐิอีกต่อหนึ่ง น, นี่เริ่มต้นที่ความเข้าใจแล้วก็ไปฝึกฝนไปฝึกฝนก็เพื่อความเข้าใจนั่นแหละตัวที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจก็คือสัมมาสมาธินี่มันเป็นอย่างนี้ ในการเจริญสมถาวิปัสสนาอะไรต่างๆก็ทํานองเดียวกันอย่างนี้นั่นแหละสมถาวิปัสสนาเขาพูดสมถะขึ้นมาก่อนแล้วก็วิปัสสนาพูดในแง่นั้นก็พูดในแง่ของลำดับการปฏิบัติไปเหมือนกับการฝึกศิกขาศีล ส, สมาธิปัญญาไม่ได้พูดแบบอริยมรรคเนี่ยถ้าพูดแบบอริยมรรคต้องพูดกับข้างพูดมาเป็นวิปัสสนาและสมถะนี่พอเข้าใจไหมถ้าพูดแบบอริยมรรคนี่ไม่ได้พูดแบบศีลสมาธิปัญญานะ ต้องพูดแบบสัมมาทิฏฐิแบบปัญญาก่อนแล้วศีลสมาธิปัญญานำฝึกฝนให้เกิดปัญญาโดยมีบาดฐานคือศีลกับสมาธิทําให้เกิดสัมมาทิฏฐินี่เข้าใจไหมถ้าสมถาวิปัสสนาถ้าพูดแบบอริยมรนี้ต้องพูดว่าวิปัสสนาและสมถะเริ่มต้นด้วยวิปัสสนาคือฝึกฝนเพื่อให้เกิดการเข้าใจเห็นแจ้งตามความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เกื้อหนุนวิปัสสนาคือสมถะ นี่ต้องเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมนี่ต้องเข้าใจดีๆนะครับโดยส่วนใหญ่เราไม่เข้าใจอย่างนี้คือพอเรียนเรื่องอริยมรรคก็โยนใไว้อันหนึ่งพอเรียนเรื่องไตรสิกขาเรียนเรื่องสมถวิปัสสนาซึ่งเป็นลําดับที่ปฏิบัติไปตามลําดับก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจไม่มีคนบอกพอไม่มีคนบอกไม่เข้าใจเราก็แยกขาดจากกันไปมุ่วไปเรื่อยนะมันก็เลยไม่รู้เรื่องกันสักทีหนึ่งพอพูดเรื่องสมถะท่านก็ ไปเรียนอารมณ์สมถะมีเท่านู้นเท่านี้แล้วก็เอามาทํากันทําให้ได้สมถะแล้วก็เดี๋ยวค่อยจเจริญวิปัสสนาอะไรเขาว่ากันไปจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเราต้องมาเรียนเรื่องวิปัสสนาก่อนให้มันเกิดสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะได้รู้ว่าอ้อวิปัสสนาเนี่ยมันต้องมีเครื่องเกื้อหนุนคือสมถะนะครับอันนี้แหละเมื่อแยกเป็นแบบวิปัสสนาและสมถะนี้ในอริยมรรคมีองค์ทั้ง8นั้น สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปโปนี้เป็นวิปัสนาสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชจีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิหกองค์นี้เป็นสมถะเป็นเครื่องเกื้อหนุนวิปัสนาหนีพอเข้าใจไหมนะนะครับถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไรท่านก็ไปปฏิบัติได้ตามสบายนะครับนะต้องปฏิบัติให้เป็นไปอย่างนี้นะ ตอนนี้ก็ได้พูดถึงองค์ของฝ่ายปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโป้แล้วก็องค์ฝ่ายศีลที่เป็นบาดฐานที่ทําให้เกิดสมาธิและปัญญาต่อไปก็คือสัมมาวาจาสัมมากรัมรมันโตสัมมาอาชีโวเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็เป็นองค์ฝ่ายสมาธิคือองค์ที่จะทําให้จิตมีคุณภาพที่ดีมีจิตที่มีความตั้งมั่นมีคุณธรรมฝ่ายกุศล ฝ่ายดีงามต่างๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปตามลําดับนะครับองค์ฝ่ายศียนี้จะออกมาในทํานองการงดเว้นสิ่งที่มันไม่ดีซะก่อนการงดเว้นการไม่ยินดีการที่เราฝึกฝนที่จะทําให้สิ่งผิดพลาดนั้นมันลดลงพอสิ่งผิดพลาดมันลดลงสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันถูกละไปสิ่งที่ดีมันก็จะเกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะเริ่มเป็นองค์ของฝ่ายสมาธิจิตก็จะมีความสงบมีความสุข มีความปราบรื้มปีติเพิ่มขึ้นมาด้วยตัวของมันเองเป็นฝ่ายสมาธิคุณธรรมฝ่ายดีต่างๆคุณภาพของจิตชนิดต่างๆความเข้มแข็งของจิตก็จะเกิดขึ้นตอนมีสมาธิแต่ตอนเริ่มต้นนั้นเรามีความเข้าใจถูกแล้วก็ละของไม่ดีไปก่อนของไม่ดีนี่มันเป็นศีลหละนะครับพอละของไม่ดีไปถ้าเราเรียนเรื่องจิตมาเราก็จะรู้ว่าจิตมันเกิดทีละดวงนะพอละของไม่ดีออกไปของดีมันก็จะเกิดได้แต่ถ้ายังไม่ละของไม่ดีออกไป จะหาของดีได้ไหมหาไม่ได้เพราะว่าจิตมันเกิดทีละดวงนะโดยเฉพาะคนไหนที่ยังมีความเข้าใจผิดเหลืออยู่จะทําให้จิตเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เขาคิดว่าจิตมีดวงเดียวแล้วก็จะทําให้มันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้พวกเหล่านี้ก็จะจมอยู่ในความมืดไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าคนใดมีสัมมาทิฏฐิได้เร็วเห็นว่าจิตมันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเรานะเป็นของไม่เที่ยงฟังบ่อยๆเขาก็จะไม่ยึดถืออะไรต่างๆมากนัก อันแล้วก็แล้วไปละไปละไปของไม่ดีละไปก็เป็นศีลของดีก็จะเกิดขึ้นมาได้นี่พอเข้าใจไหมนะครับนี่การปฏิบัติโดยสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องมันจึงเรียบง่ายแล้วก็สบายอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านอุปมาไว้แล้วเหมือนกับท่อนไม้ลอยไปตามน้ํานะีสบายมากนะแต่เราโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เพราะมัวแต่งงอยู่นะ นั้นได้เรียนที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้พระสารีบุตรขยายความมาก็จะได้สบายขึ้นนะครับไม่รู้สบายจริงเปล่านะต้องดูว่าเรียนรู้เรื่องหรือเปล่าด้วยบางคนเรียนไปก็ไม่รู้เรื่องอยู่เหมือนเดิมนะครับต่อไปก็จะเป็นองค์ฝ่ายสมาธินะครับเป็นสัมมาวายโมในหน้าที่สอ่านสัมมาวายโมพร้อมกันนะครับ กตโมจาวุโสสัมมาวายโมอิทาวุโสพิกุอนุปันนางปาปกานงอกุสลานังธรรมานังอนุปปาายะฉันดังฉเนติวายมติวีริยังอารัพติจิตตังปักขันหาติ ปะดาหติอุป n n a นาังปาปะการนังอกุศลานังธรรมานังปะหานายะฉันดังฉเนติวายมติวีริยังอาราภติจิตตังปะคันหาติปะนาหติอนุปันนานังกุศลานัง ธรร ม, มนังอุ ป, ปานายะฉันนังชเนติวายามาติวีริยังอาราภติจิตังปักขันหาติปะดหติอุ ป, ปัานานังกุสลานังธรมมนังทิติยาอสัมโมสายะพยิโยภาวายะ เวปุลายะพาวนายะปาริปุริยาฉันดังชเนติวายามติวิริยังอาราภติจิตังปะคะนหาติปะดหติอะยังวุจตาวุโสสัมมาวายโม กัรตโมจาวุโสสัมมาวายโมดูก่อนท่านผู้มีอายุสัมมาวายามะเป็นไงสัมมาก็แปลว่าถูกต้องโดยชอบทําให้ถึงความพ้นทุกข์ได้จริงถ้าพูดภาษาแบบเปรียบเทียบก็ว่าดีจริงคําว่าดีจริงก็คือทําให้ถึงความพ้นทุกข์ได้วายาโมแปลว่าความเพียร สัมมาวายาโมความเพียรที่ถูกต้องความเพียรที่จะทำให้ถึงความพ้นทุกข์ได้จริงนี้เป็นฉไฉนท่านก็แยกแยะออกมาเป็นสข้ออิทาวุโสพิกุอนุปปนานางังปาปากานางังอากุศลานางังธรร ม, มานางังอนุปป า, ายะฉันดังชนิติวายมาติวีริยังอารพปติจิตตังปักขนหาติ ปะนหาตินี้เป็นชุดที่หนึ่งชุดที่หนึ่งท่านบอกว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ฉันดังฉเนติยังฉันท่าให้เกิดยังความพอใจให้เกิดนะยังความพอใจให้เกิดก็แสดงว่าคนนี้เขาได้เริ่มรู้จักธรรมะฝ่ายดีแล้วธรรมะฝ่ายดีหรือว่าคุณความดีของการที่จะละฝ่ายไม่ดีไป ก็เริ่มจากการที่เป็นผู้มีศีลพอเป็นผู้มีศีลแล้วเขาจะรู้ว่าโอ้ยการมีศีล น, นี่นะการงดเว้นจากการพูดไม่ดีงดเว้นจากการทาไม่ดีอะไรออกไปนี่เออมันดีอย่างนี้นะนี่นะครับการที่เขารู้อย่างนี้ก็จะเกิดฉันทะขึ้นมาได้คือเกิดความพอใจการมีสติมีความรู้ตัวไม่พูดโกหกนี่มันดีอย่างนี้นะเคยรู้สึกอย่างนี้ไม้ม ถ้ารู้สึกอย่างนี้เขาเรียกว่าฉันดังเฉเนตินความรู้สึกว่าโอ้มันน่าพอใจนะทางนี้นะทางการละฝ่ายไม่ดีออกไปเนี่ยทางการทำดีนี่มันน่าพอใจนะการมีสติมีความรู้ตัวนี่มันดีนะไม่ฟูดโกหกนี่มันดีนะไม่ฟูดเพอ้อเจอนี่มันดีนะไม่หาเรื่องมาคุยนี่มันดีนะนั่งเงียบๆนั่งมองหน้ากันเฉยๆเนี่ยดีนะชอบไหเงี้ย ถ้ายังไม่เห็นความดีของทางนี้ก็ยังห่างไกลความเจริญอีกลฉะนั้นต้องเห็นหรือว่าพอใจในทางนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าฉันดังชัตเนติคือยังฉันทะให้เกิดทำความพอใจให้เกิดแต่เดิมโดยส่วนใหญ่เราจะพอใจในการหาเงินหาชื่อเสียงหาการยอมรับหาคนนั้นคนนี้ใช่ไหมต่อไปถ้ามันถูกต้องเราจะพอใจแต่ในการละ ละอกุศลเจริญกุศลเจริญสติสัมปชัญญะเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนใดหรือว่าทำอะไรแล้วเราจะไม่มุ่งสนใจเรื่องกาไรเรื่องขาดทุนเรื่องการยอมรับแล้วจะสนใจแต่เรื่องการมีสติสัมปชัญญะการละกิเลสการละการพูดโกหกละการพูดเพอเจอ้อเป็นเรื่องของการฝึกฝนตนเองไปนี่นะครับความพอใจมันกลับข้างมาการที่ความพอใจกลับข้างมาอย่างนี้ อันนี้จึงจะเป็นองค์ฝ่ายสมาธิอันแท้จริงไม่งั้นเราจะไม่สามารถมีสมาธิอันแท้จริงได้ถ้าบางคนตอนทางานก็เป็นอย่างหนึ่งอยากได้กำไรอยากได้นดดู่นได้นี่พอถึงวันหยุดก็จะไปทำสมาธิอย่างนี้เขาจะได้สมาธิไหมไม่มีทางได้เพราะว่าเขายังไม่เกิดความพอใจที่จะละอกุศล น, นะการเกิดความพอใจที่จะละอกุศลมันต้องเกิดความพอใจตั้งแต่เขาใช้ชีวิตธรรมดา แต่ว่าตอนนี้เขายังทําไม่ได้เท่านั้นเองแต่ต้องฝึกฝนไปพอใจแต่ในเรื่องการละพอใจแต่ในเรื่องการมีสติสัมปชัญญะพอใจแต่ในเรื่องการละบาปอกุศลอะไรออกไปนี่เข้าใจไหมแบบนี้สมาธิอันแท้จริงของเขาจึงจะเกิดแต่ถ้าเขายังพยายามจะทําให้สมาธิเกิดขึ้นโอ้ตอนนี้เรื่องโน้นเรื่องนี้เยอะเหลือเกินเขาก็จะไปทําสมาธิอย่างนี้ก็คงจะได้แต่ สมาธิปรอมๆหรอือว่าสมาธิที่เขาคิดขึ้นนั่นแหละไม่ใช่สมาธิที่ทําให้เกิดปัญญาแท้จริงสมาธิแบบนั้นเป็นเหมือนยาเสพติดนะเราคงชอบใช่ไหมยาเสพติดนี่ยสมาธิแบบยาเสพติดก็หมายถึงว่าที่พักฟันหย่อนใจมันทําให้เราเสพติดความสงบคือว่ามันทําให้รู้สึกว่าถ้าไม่สงบแล้วเป็นปัญหาอันนั้นคือสมาธิยาเสพติดนะบางคนไม่รู้เรื่องนี้เขายังไปทําอย่างนั้นอยู่ ก็คือว่าเขาทําความสงบแบบนั้นมาพอเขาออกจากอันนั้นมาเขาเห็นว่าความไม่สงบความฟุ้งซ่านเรื่องต่างๆเป็นปัญหาอันนั้นคือยาเสพติดนะมันทําให้เห็นว่าพอตัวเองไม่ได้เสพแล้วมันเป็นปัญหาแล้วเนี่ยเห็นไหมสมาธิอันแท้จริงมันไม่ได้ทําให้เห็นอันอื่นมีปัญหานะมันเห็นความจริงของอันอื่นเห็นความจริงของเรื่องต่างๆทั้งโลกนั่นแหละไม่ใช่เห็นทั้งโลกเป็นปัญหานะแต่โดยส่วนใหญ่เราสมาธิของเราเป็นสมาธิยาเสพติด นะที่เราเข้าใจกันอยู่ไปทําให้อันอื่นเป็นปัญหาโดยคิดว่าสมาธิของตนเองนั่นแหละไม่เป็นปัญหาส่วนอันอื่นเป็นปัญหาเขาว่าอย่างนี้นะฉะนั้นทางโลกมันเป็นปัญหาเยอะฉะนั้นเธอต้องมานั่งห้องพระอย่างนี้นะเธอต้องมาทําอย่างนี้นะจะได้ไม่มีปัญหาเขาว่าอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้เข้าใจผิดไปไกลามากแล้วอันนี้พวกพรหมโลกก็เป็นอย่างนี้กันเป็นแถวแถวเลยนอันนี้ก็คงไม่ได้ไปไหนหรอกนะคงถ้าทําประสบความสําเร็จก็ได้ปลายพรหมโลกแล้วอย่างนี้นะ แต่ว่าก็ยังจมอยู่ในกองทุกเหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นยาเสพติดนะครับแต่ว่าสมาธิแบบอริยามรรคนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคนละเรื่องกันเลยนะครับเป็นการฝึกฝนเพื่อให้เกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิเรารู้แล้วว่าความจริงของสิ่งทั้งปวงมันเป็นอย่างนี้เพียงแต่ตอนนี้เรายังไม่ยอมรับเราก็มาฝึกฝนให้จิตมีศีลมีสมาธิเพื่อยอมรับอันนั้นเมื่อมีสมาธิมีองค์สมาธิเพิ่มขึ้นมันก็ยอมรับได้เพิ่มขึ้นนี่เห็นไหมมันมองว่าอันนั้นเป็นปัญหาไหม ไม่มองเลยเพราะว่าแต่เดิมความจริงมันเป็นอย่างนั้นเรามองว่ามันเป็นปัญหาเราก็มาฝึกเพื่อจะมองมันว่ามันไม่ได้เป็นปัญหามันเป็นปัญหาอะไรปัญหาคือตาเราต่างหากอันนั้นมันไม่ได้เป็นปัญหาสามีไม่ได้เป็นปัญหาแต่ตาเราเนี่ยเป็นปัญหาเนี่ยทุกอย่างมันเป็นของใหม่ตลอดใช่ไหมต้นไม้โอ้เรารู้จักต้นไม้ต้นนี้ดีจังเลยอ่าตื่นเช้าขึ้นมาอ้าวต้นไม้ต้นนี้อีกแล้วแบบนี้มันก็เบื่อใช่ไหม ต้นไม้มันเก่าไหมต้นไม้ต้นเก่าเปล่ามันไม่เก่าใบมันก็ร่วงอยู่ทุกวันทุกวันเดี๋ยวใบเหี่ยวเดี๋ยวใบแห้งกลางวันมันก็เป็นอย่างหนึ่งกลางคืนก็เป็นอย่างหนึ่งตอนเช้าก็เป็นอย่างหนึ่งต้นไม้ไม่ได้เก่านะต้นไม้ยังใหม่อยู่เสมอทีเดียวอะไรเก่าตาเรานั้นเก่าเก่าจนแก่แล้วบางคนยังไม่รู้ตัวอีกนะโอ้เจอแต่ของเก่าเก่าทุกวันเลยเขบาบอกเนี้ยเนี้ย ของมันมีอะไรเก่าบ้างไม่มีมีแต่ของเปลี่ยนแปลมีแต่ของใหม่ๆอะไรเก่าตาเขานั่นนะเก่านะอย่างนี้พอเข้าใจไหมอ่าฉะนั้นบางท่านจะมาบอกว่าโอ้อาจารย์สุพีนี่พูดแต่เรื่องเก่าๆใช้ได้ไหมอย่างเงี้ยพวกตาเก่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เห็นไหม ดันั้นต้องเข้าใจลักษณะของสมาธิหรือว่าองค์ฝ่ายสมาธิให้มันถูกต้องนะมันจะเกิดปัญญาเห็นแต่เป็นของใหม่อยู่เสมออ้าวมันมีของเก่าที่ไหนล่ะท่านเรียนมาแล้วนี่ใช่ไหมเออมีแต่ของเกิดดับมีแต่ของเปลี่ยนแปลงต้นไม้มันจะต้นเก่าได้ไงใบเก่ามันก็ร่วงไปแล้วใบใหม่มันก็เกิดขึ้นตอนนี้ใบมันเล็กอยู่ยังอ่อนอยู่ต่อมามันก็แก่แล้วมันเก่าที่ไหนไม่ได้เก่าแต่ท่านยังมองว่ามันเป็นต้นเก่าฉะนั้นมันไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่ต้นไม้แล้ว ปัญหามันอยู่ที่ตาท่านนั่นแหละตามันเก่าไปนะเห็นไหมตาโบราณคนเราโดยส่วนใหญ่มันพวกโบราณพวกเก่านะอันนี้มันมองสิ่งต่างๆด้วยสายตาอาดีตด้วยความยึดถือด้วยความยึดมั่นถือมั่นเป็นพวกที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีความเห็นที่ถูกต้องฉะนั้นเราจึงมาฝึกให้มันเห็นถูกต้องนี่เห็นไหมสมาธิอันแท้จริงมันช่วยให้เห็นถูกต้อง มันจึงเป็นอย่างนี้นะครับนั้นต้องเข้าใจลักษณะของฝ่ายสมาธิให้ดีๆเริ่มต้นที่สัมมาวายามะฉันดังฉเนติทำฉันทให้มันเกิดขึ้นมีความพอใจเกิดขึ้นวายมติมีความพยายามวิริยังอารพติปรารบความเพียรมีความเพียรในเรื่องเหล่านี้นะที่จะพูดต่อไปนี้ จิตตังปักคันหาติประคองจิตเอาไว้คือตั้งจิตเอาไว้ในแง่ที่ว่าให้มันเป็นไปทางนี้ไม่เป็นไปทางอื่นจิตของเรานั้นถ้าไม่ตั้งเอาไว้หรือว่าไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีความรู้ความเข้าใจโดยถูกต้องมันก็จะกระโดดไปเรื่องนน้นกระโดดไปเรื่องนี้ยึดติดเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรที่เป็นเรื่องเข้าใจผิดผิดเรื่องไม่ถูกต้องเรื่องเห็นผิดพลาดจากความเป็นจริงนี้มันชอบจังฉะนั้นต้องตั้งไว้ให้มันถูกต้องขยัน ต้องขยันคอยสังเกตว่ามันไปผิดทางหรือเปล่าถ้ามันผิดเราก็มาตั้งให้มันถูกอีกทีหนึง่งปะปะดหติแล้วก็ตั้งจิตเอาไว้อุปันนานังปาปาการนังอกุศลานังธรรมานังอนุ ป, ปาดายะเพื่อความไม่เกิดขึ้นของบาปอากุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยบาปอากุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยตอนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมเราก็ มีความภาคเพียรพยายามพอใจฝึกฝนเพื่อป้องกันบาปอากุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้นอนุ ป, ปาดาภัแปลว่าเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นเพื่อความไม่เกิดขึ้นก็คือภาษาเราทุกวันนี้ก็คือป้องกันตอนนี้เรายังไม่ได้โกรธใช่ไหมเอออันนี้เราก็ป้องกันไม่ให้มันเกิดอั น, นอื่นอละ่ะกิเลสอั น, นอื่นๆตอนนี้ก็ยังไม่เกิดการฆ่าสัตว์การพูดเท็จ อะไรก็ยังไม่เกิดแล้วก็เพื่อความไม่เกิดขึ้นของบาปอกุศลธรรมทั้งหลายนี่เรียกว่าอนุปปานายะเพื <uis> ่อความไม่เกิดขึ้นปาปกานางอกุศลานางธรรมานางของบาป อ, อกุศลธรรมทั้งหลายอนุปปนานางที่ยังไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นถ้าบางคนนี่ตอนนี้บาปอกุศลธรรมยังไม่เกิดขึ้นความทุกยังไม่เกิดขึ้น <c oughs> เขาสบายใจไหมสบายใจแล้วเขาว่าอย่างนี้ เขานั่งสมาธิแล้วโอยตอนนี้มันไม่เกิดขึ้นแล้วสบายใจแล้วพวกนี้เขาเรียกพวกประมาทคนเราโดยส่วนใหญ่นั้นมีความสุขแล้วก็ประมาทใช่ตอนนี้เรายังไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายเราทำอะไรบ้างขอประมาทไปก่อนเถอะพอเจ็บป่วยค่อยมาร้องสักทีหนึ่งพอเห็นคนตายค่อยมาสำนึกสักทีนึงว่าเอเาก็จะต้องตายเหมือนกันนะบางคนไม่สำนึกด้วยซ้าไปคนตายมันเหม็นเข า, าอย่างเงี้ยเนี่ยไม่สานึกว่าตัวเองจะต้องตายด้วยซ้ไป นี่พวกนี้ประมาทเห็นไหมแต่ว่าถ้าเป็นพวกที่มีสมาธิองค์สมาธิฝ่ายถูกต้องสัมมาวายามะเห็นไหมเขาพยายามฝึกฝนเพื่อความไม่เกิดขึ้นของบาปอคุิแลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดความทุกข์ยังไม่เกิดเราจําเป็นต้องให้มันเกิดไหมไม่จําเป็นมันยังไม่เกิดความกลัวตายยังไม่ได้เกิดเราจําเป็นต้องให้มันเกิดไหมไม่จําเป็นเราก็เพียรพยายามพอใจที่จะฝึกฝน นคนที่รักตายเนี่ยเราก็ต้องเศร้าโศกใช่ไหมเราจําเป็นต้องเศร้าโศกไหมต้องรอมไหมไม่จําเป็นเราก็ฝึกไว้ก่อนเลยเราก็รู้งแง่ๆอยู่แล้วว่าเดี๋ยวถ้าเรารักมันเนี่ยนะความจริงมันเป็นอย่างนี้นะคือว่าโอ้ถ้าคนที่เรารักตายเนี่ยเราต้องเศร้าโศกนะอันนี้สัจธรรมใช่ไหมความจริงเขามีสัมมาทิฏฐิแล้วก็ต้องรู้อย่างนี้อยู่แล้วว่าอ๋อเนี่ยเนะี่ความจริงเป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้ยังยอมรับไม่ได้พ อ, อยังยอมรับไม่ได้ก็มาฝึกให้มีศีลสมาธิ เพื่อยอมรับอันนั้นได้จะได้ไม่เศร้าโศกนี่เป็นไงเอออย่างนี้จึงใช้ได้นี่พอเข้าใจไหมเราก็ต้องตายเป็นธรรมดาอยู่แล้วพอตายก็ต้องเสียดายทรัพย์สินบ้างอะไรบ้างเขาก็รู้อยู่แล้วว่าอุย้ยเราต้องตายเป็นธรรมดาตอนตายมันก็ต้องกระวนกระวายเศร้าโศกไปถ้าไม่เข้าใจความจริงนะเนี่ยความจริงเป็นอย่างนี้เรายังไม่ยอมรับเราก็มาฝึกฝึกให้มีศีลมีสมาธิเพื่อจะยอมรับมันได้ต่อไปเวลาตายเราก็ ไม่กวนก็วายไม่เศร้าโศกไม่กลัวนี่นะครับฉะนั้นถ้าใครที่ยังฉันถ้าให้เกิดคือพอใจที่ไปทางนี้นะครับเนี่ยคนเหล่านี้ก็ความทุกข์หายไปเยอะไหมหายไปเยอะมากเพราะว่าเขาไม่ได้รอให้มันเกิดความโกรธหรือว่าความไม่พอใจอะไรต่างๆมันก็หายไปเยอะเพราะว่าเขาไม่ได้รอให้มันเกิดแต่เขาฝึกฝนเพื่อ ความไม่เกิดขึ้นของมันไม่ให้มันเกิดนะอย่างนี้นะครับนี้เป็นสัมมาวายามะข้อที่หนึ่งต่อมาข้อที่สองอุปนนานังปาปาการังอกุสลานังธรรมนานังปหานายะฉันดังฉเนติวายามติวิริยังอารพัพติจิตตังปักขณหาติปะนะติตัวกิริยาหรือว่าการฝึกฝนนี่เหมือนกันคือ ทำฉันทะาให้เกิดทำความพอใจให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อละบาปอากุศลธรรมทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วนะเมื่อกี้เพื่อไม่ให้มันเกิดอันไหนที่ยังไม่เกิดไม่ให้มันเกิดต่อมาเพื่อละเมื่อกี้อนุ ป, ปาดายะเห็นหมป้องกันเอาไว้อันที่สองปหานายะเพื่อละ ละบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วนี่มาดูที่บาปอกุศลธรรมอะไรที่เคยเกิดขึ้นแล้วถ้ามันเคยเกิดขึ้นแล้วบาปอกุศลธรรมบางอย่างมันครอบงำเราอยู่ใช่ไหมเออเราเคยทำผิดกับพ่อแม่แล้วยังเสียใจอยู่ไหมนั่นมันครอบงำเราอยู่ต้องละมันให้ได้อย่าให้มันมา ม, มามีอิทธิพลต่อเราอีกนะอะไรที่ไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นชนะติดหลังเราหรือเปล่า โอ้เคยโกหกคนนี้ไว้เดี๋ยวมันจะเอาเรื่องเรามาขุดนี่ทำไมต้องกลัวมันขุดด้วยมันอยากขุดก็ขุดมันขุดไปนี่ต้องเอาความรู้สึกพวกนี้ออกละบาปอกุศลธรรมที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วอย่าให้มันมามีอิทธิพลต่อใจเราอีกให้ฝึกฝนเพื่อละมันไปนะครับหรือว่าบาปอกุศลธรรมบางอย่างมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดบ่อยก็ให้มันเกิดลดลงมันเกิดมีกําลังมากก็ให้มันมีกําลังลดลง เนี่ยเราก็คอยสังเกตดูนะครับอันนี้เพื่อนละนะละตั้งแต่ไม่ให้มันมาครอบงําเราเราโดยส่วนใหญ่นี้ในเมืองไทยเราไปเชื่อกรำเก่าแบบผิดผิดพลาดพลา ด, ลา ด, ลาดเป็นของพวกดีลถีภายนอกนิคร่นกันไปนะเพราะว่าการเชื่อกรำเก่าแบบนั้นมันทําให้พออยู่ได้นะปลอบใจตัวเองไปวันๆอย่างนั้นนะ่ะนะแบบนั้นมันจะทําให้พวกบาปอากุศลธรรมทั้งหลายเกา่าเนะ่ย มาครอบงาจิตใจของเขาทั้งๆ ท, ที่พระพุทธเจ้าให้เพียรเพื่อจะละมันนะไม่ใช่ให้ไปยึดถือของเก่าๆอย่างนั้นนะครับบางคนนี่ไม่รู้ว่าตัวเองทําผิดด้วยซ้ําไปแต่ว่าเขายังคิดว่าเขาทําผิดอยู่ไม่ได้ผิดในชาตินี้นะผิดชาติที่แล้วนู่นทั้งๆ ท, ที่ตัวเองไม่รู้เช่นบางคนเขาถูกสอนมาว่านี่เธอเนี่ยที่เธอยากจนนี่นะเพราะเธอไม่เคยทําบุญมาก่อนนั่นเขาว่าไปอย่างนั้นอีกพวกนี้ก็ไม่รู้จะทําไงแล้ว ผมไม่เคยทาบุญผมก็ไปทําบุญจนชาวนาชาวไร่เขาก็ไปทําบุญกันหมดแล้วเขารวยไหมยากจนเหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากกรรมเก่ามันเกิดจากทําอาชีพที่เขาไม่รวยมันเกิดจากพวกพ่อค้าคนกลางมันเกิดจากพวกคนเอาเปรียบเขาเขาไม่รู้วิธีเขาก็โอ้อยนี่เรายากจนมานี่เพราะกรรมเก่าไปทําบุญกันใหญ่ก็ทําบุญทุกช้าทุกคําแล้วเขารวยไหมไม่รวยเพราะว่ายากจนอันนั้นไม่ได้เกิดจากกรรมเก่านี่พอเข้าใจไหม ออแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเราไม่ได้สอนให้เขาละความรู้สึกอันนี้หรือว่าไม่ได้สอนให้มีสัมมาทิฏฐิแล้วฝึกฝนเพื่อจะละมันฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะสิ่งต่างๆเกิดแล้วดับไปแล้วสิ่งที่ทำไม่ดีทำไปแล้วมันก็ดับไปแล้วใช่ไหมเราปล่อยให้สิ่งที่ทำไปแล้วมามีที่พลต่อใจเหล่านี้ถูกไหมไม่ถูกในเมื่อเรายังละไม่ได้เราก็ต้องฝึกฝนเพื่อจะละมันให้ได้นี่ บางคนนี่ไม่ได้ทําอย่างนี้โดยซ้าไปทํากลับข้างเขาไม่ได้ทําผิดด้วยซ้าไปไปโยนอดีตชาติโน่นว่าคุณทําผิดมาตั้งแต่อดีตชาติมาครอบงําคุณอยู่ในตอนนี้ทั้งๆที่แม้กระทั่งความที่เราทําผิดจริงๆในปัจจุบันเขาก็ให้ละไอเรานี่สอนกลับข้างไปแล้วแล้วอย่างนี้มันจะวนเวียนไปนานไหมเนี่ยมันก็นานเปน็นอันมากนะครับนะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิจึงต้องมาก่อนเพราะอะไรก็เพราะอย่างนี้นั่นแหละนะครับ นี่ข้อที่2นะสัมมาส ม, มาธิอันถูกต้องหรือว่ากลุ่มของส ม, มาธิอันถูกต้องซึ่งมี3องค์องค์แรกคือสัมมาวายามะแยกเป็น4คือทาฉันทถ้าให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อการไม่เกิดขึ้นของบาปอากุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้นนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สอง ทำฉันถ้าให้เกิดพยายามปราลบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อละบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วถ้ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วมันเคยมีอิทธิพลต่อใจเราอะไรบ้างล่ะต้องไปดูนะนะที่เคยทําผิดในบางคนนี่มันมีอิทธิพลต่อใจอยู่ต้องไปฝึกให้มันหมดอิทธิพลให้ได้เพราะว่าอะไรเพราะมันไม่เที่ยงมันดับไปตั้งนานแล้วเราไปยึดถือมันอยู่นี่แสดงว่ามันผิดหรือมันถูกมันถูก หรือผิดมันผิดแน่แนอยู่แล้วนะเราต้องไปดูต้องให้มันหมดไปอะไรที่มันเคยเกิดบ่อยเกิดเยอะก็ให้มันน้อยลงอะไรเกิ ด, รกดแรงก็ให้มันน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งละเด็ดขาดไปด้วยอริยมรรคนะครับนี่ต่อมาอันที่สอนุปันานางังกุศลานางังธรรมานางังอุปาดายะ ฉันดังชเนติวายามติวิริยังอารัปติจิตตังปักคณหาติปะดติธรรมฉันท่าให้เกิดพยายามปราลบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อความเกิดขึ้นของกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้นนะเราก็ต้องเพียรพยายามฝึกฝนให้มันเกิดขึ้นอะไรล่ะที่ยังไม่เกิดขึ้นโอเยอะนะ สมถะรู้จักกี่ยังจริงๆฮะศีลรู้จักกือยังเราก็ต้องฝึกให้มันมีขึ้นรู้จักโอ้นี่ศีลเป็นอย่างนี้นะสมถะสมาธิที่แท้จริงเป็นอย่างนี้นะริโอตัปะความเป็นเพื่อนเป็นมิตรมีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาอะไรต่างๆที่ดีๆอ่ะอันแท้จริงมันเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่แค่ไปทำปลอมๆขึ้นนั่งสงบอยู่แล้วก็บอกว่าโอ้นี่เราสงบเหลือเกิน ต้องดูดีๆว่ามันสงบจริงหรือสงบปลอมนะครับสงบจริงมันก็ต้องจริงนะสงบปลอมมันก็แค่ไม่มีคนกวนเท่านั้นแหละนะอย่างนี้นะครับนี่ต้องไปดูดีๆสงบเพราะว่าไม่มีคนกวนหรือว่าสงบจริงๆถ้าสงบจริงๆต่อให้มีคนกวนมันสงบไหมมันก็สงบสิเพราะมันสงบจริงแต่เรานี่โดยส่วนใหญ่ถ้ามีคนกวนนี่สงบไหม ไม่สงบเลยอาจารย์จะสงบได้ไงมันมีคนกวนต้องไม่มีคนกวนถึงจะสงบเขาว่าอย่างนี้อันนี้ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่คนกวนแล้วปัญหามันอยู่ที่เรานั้นมันไม่สงบนะฮพอไม่มีคนกวนปั๊บเขาก็สงบโดยทันทีทีเดียวเป็นสงบของเขาไหมไม่ใช่สงบเพราะว่าไม่มีคนกวนบางคนไปนั่งอยู่ภูเขานั่นก็บอกโอ้สงบมากเลยเขาบอกสงบภูเขาดังนั้นอ่ะสงบของภูเขา ไม่ใด้สงบของเขาหรอกอย่างนี้พอเข้าใจไหก็ต้องฝึกฝนนะครับพยายามปรารบความเพียรตั้งจิตไว้เพื่อความเกิดขึ้นของกุศลธรรมทั้งหลายที่มันยังไม่เกิดนะฉะนั้นอันไหนที่มันยังไม่เกิดเราก็ต้องฝึกฝนนะเพื่อความเกิดขึ้นเพื่อให้มันเกิดขึ้นเราจะได้รู้จักมัน การที่กุศลมันจะเกิดขึ้นคุณความดีมันจะเกิดขึ้นนี่นะใช่ไหมพื้นฐานแรกเขาถึงให้มีศีลก่อนละของไม่ดีไปก่อนแล้วก็ของที่ดีมันก็จะเกิดพอของที่ดีมันเกิดเราก็จำเอาไว้ว่าโอ้นี่หนี้ของดีมันเป็นอย่างเนี้ยสมาธิแท้จริงเป็นอย่างนี้สติแท้จริงเป็นอย่างนี้ศีลแท้จริงเป็นอย่างนี้เราก็เอาไปเจริญต่อได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็เจริญไม่ถูกเจริญไม่เป็นทําผิดผิดพลาดพลา ด, ลาดไปเหมือนเราจะเจริญเมตตา เรารู้จักจริงๆไม่เมตตาความเป็นเพื่อนเป็นมิตรอะไรต่างๆสัพเพสตาโดยส่วนใหญ่ไม่เคยรู้จักเลยเพราะอะไรเพราะไม่เคยเอาความรู้สึกที่ว่าไม่เป็นเพื่อนไม่เป็นมิตรความพยาบาทความเบียดเบียนไม่เคยเอาความรู้สึกพวกนั้นออกพอไม่เคยเอาความรู้สึกพวกนั้นออกความรู้สึกเป็นเพื่อนก็ไม่มันก็ไม่เคยเกิดพะไม่เคยเกิดเราก็ไม่รู้จักพอไม่รู้จักก็เจริญไม่เป็นทาไม่เป็น เชื่อแต่คนอื่นว่านี่เธอต้องเมตตาต่อคนนั้นคนนี้นะอย่างนู้นอย่างนี้มันจะเมตตาได้ยังไงมันไม่เคยเอาความรู้สึกพยาบาทออกไม่เคยเอาความรู้สึกเบียดเบียนออกไม่เคยเอาความรู้สึกอยากเหนือกว่าเขาออกมันจเจริญเมตตาไม่ได้หรอกนี่นะพอเข้าใจไหมนะครับเราต้องเอาความรู้สึกที่อยากจะเหนือคนอื่นนั้นออกซะก่อนอเอาความรู้สึกที่ จะพยาบาทเบียดเบียนคนอื่นจะเอาคืนคนอื่นออกซะก่อนพอเอาออกเราก็ได้รู้จักความเป็นเพื่อนเป็นมิตรอย่างน้อยก็มันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมันทําไม่ดีกับเราบ้างเราก็ไม่ได้โกรธมันไม่ได้พยาบาทมันเราเห็นว่าโอ้มันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนั่นเห็นไหมก็เริ่มเป็นคนมีเมตตาเป็นแล้วมีความเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นแล้วเราก็สามารถเจริญต่อจากตรงนั้นได้แต่โดยส่วนใหญ่เขาสอนเราเป็นไงบ้าง โอ้ยไม่ได้ให้เอาพวกนี้ออกหรอกนะไม่ได้ให้ฝึกฝนตนเองเพื่อจะรู้ว่าตัวเองทําอะไรผิดอยู่แล้วเอาผิดผิดออกมีแต่เอาของถูกใส่เข้าไปให้เราเป็นไงบ้างโอ้โหทีนี้แหละละเนระนาดกันไปหมดเลยนะของผิดรวมกับของถูกเป็นไงโอ้โหของถูกที่เข้ามากลายเป็นของผิดไปหมดเลยทีนี้แหละละเนรละนาดกันไปแล้วนะท่านก็ยึดถืออุดมคติทัศนคติอะไรต่างๆมากมายเหลือเกิน นะครับแ ท, ท้จริงแล้วเขาฝึกฝนเพื่อที่จะเอาทัศนคติหรือว่าอุดมคติแนวคิดอะไรต่างๆออกนั่นแหละแล้วก็จะได้มามองตามที่มันเป็นจริงนะเงื่อนไขาตามความคิดของท่านนะ่ะให้เอาออกให้เหลือแต่เงื่อนไขของธรรมะที่มันเป็นอย่างนั้นของมันอย่างนี้เราฝึกฝนเพื่ออย่างนี้นะไม่ใช่ฝึกฝนเอาเงื่อนไขเพิ่มเข้าไปเงื่อนไขมันมีเยอะอยู่แล้วเราเอาเงื่อนไขของเรานี่ออก นะพอเอาเงื่อนไขของเราออกตาเราก็สว่างแล้วก็เห็นเงื่อนไขของธรรมะที่เป็นอิทัปปจิยตาปฏิจจะสมุปบาทนี่พอเข้าใจไหมนะครับนี่ให้มีชันทะให้มีความพอใจมีความพยายามปรารบความเพียรตั้งจิตไว้ประคองจิตไว้เพื่อความเกิดขึ้นของกุศ ล, ลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดนะครับต่อมา อุปนันนาังกุศลานาังธรรมานางติติยาอสัมโมสายะพิโยภาวายะเวปุลลายะภาวนายะปาริปุริยาฉันดังฉเนติวายามติวิริยังอารัพติจิตตังปักขณหาติปะดหติตให้เป็นผู้ที่ทําฉันท่าให้เกิดพยายามปรารบความเพียร ประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งมั่นอยู่ของกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วนี่นะครับกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เคยเกิดเราก็ฝึกฝนเพื่อให้มันเกิดขึ้นนะอันไหนที่เคยเกิดขึ้นแล้วทีนี้ก็ฝึกฝนเพื่อให้ตั้งอยู่ดำรงอยู่คือเกิดขึ้นมาบา่อยๆเนืองๆทำบ่อยๆนะเสพเจริญกระทาให้มาก อสัมโมสายะเพื่อความไม่เสื่อมไปพิโยภาวายะเพื่อความเป็นของมีเพิ่มพูนขึ้นให้มีศีลมากขึ้นมีสมาธิเพิ่มขึ้นปัญญาเพิ่มขึ้นหิริเพิ่มขึ้นโอตตะ ป, ปะเพิ่มขึ้นสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นอะไรที่ดีๆนะให้มันเพิ่มขึ้นพีโยขึ้นเยอะๆ เ, เรื่อยๆ เ, เวปุลลายะเพื่อให้ถึงความไภบู์ ภาวนายะปาริปุริยาเพื่อให้เป็นของเต็มบริบูรณ์ด้วยการภาวนานะครับอันนี้ก็เป็นสัมมาวายโมอายางวุจตาวุโสสัมมาวายโมดูก่อนท่านบุมีอายุนี้เรียกว่าสัมมาวายามะนะครับเนสัมมาวายามะโดยถูกต้องนะไม่ต้องรอให้มันเกิดเหตุการณ์อะไรก่อน ฝึกฝนมีความพอใจที่จะฝึกนะครับฝึกฝนอะไรบ้างล่ะเพื่อความไม่เกิดขึ้นของบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้นเพื่อละบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วเพื่อความเกิดขึ้นของกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้นเพื่อความตั้งมั่นอยู่ความไม่ลบเลือนไปความเจริญภัยบูนจนเต็มบริบูรณ์ด้วยการภาวนาของ กุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วนะอย่างนี้นะครับเรียกว่าสัมมาวายาม О. สัมมาวายามะฉะนั้นพวกอากุศลทั้งหลายต่างๆเหล่านั้นมันทำให้เกิดทุกข์นะเราก็ฝึกฝนเพื่อที่จะละมันป้องกันมันไม่ให้มันเกิดนะนะฝึกฝนไปอย่างนี้เมื่อฝึกฝนไปโดยถูกต้องความเปลี่ยนในพระพุทธศาสนาก็มีผลมากก็คือว่า ไม่จําเป็นต้องรอทุกขมันเกิดนะฝึกฝนเพื่อละมันเลยใช่ไหมทุกมันเกิดเพราะอกุศลใช่ไหมเราฝึกฝนเพื่อละอกุศลไปเลยก็ไม่มีทุกขเกิดแล้วนะครับไม่มีทุกก็เป็นสุขนั่นเองพูดยังไงเห็นไหมเป็นสุขโดยไม่จําเป็นต้องทุกขก็ได้เพราะว่าทุกมันมาจากบาปอกุศลใช่ไหมฉะนั้นเราฝึกเพื่อละบาปอกุศลไปเลยนะครับตอนนี้เราสุกอยู่แล้วก็ฝึกฝนไปละบาปอกุศลไป บาปอกุศลถูกละได้ทุกมันมีไหมมันก็ไม่มีเป็นสุขโดยไม่จําเป็นต้องทุกข์ก็ยังได้อันนี้เรียกว่าสุขแบบไม่ประมาทบางคนตอนนี้สุขอยู่เขาประมาทเป็นไงบาปอกุศลเพียบสักหน่อยมาแล้วนะนะพอทุกมาทีหนึ่งก็วุ่นวายไปทีหนึ่งไปหารถน้ำมนต์บ้างอะไรบ้างบาปอกุศลเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเดี๋ยวก็ทุกข์อีกวนเวียนนะ แต่ในพระพุทธศาสนานี้ท่านให้ฝึกฝนโดยวิธีการอย่างนี้โดยสัมมาวายามะที่ถูกต้องนี้ให้เราฝึกฝนให้ละทุกไปนะครับโดยละเหตุของมันเมื่อละเหตุของมันไปมันก็ไม่มีทุกนะครับเป็นสุขโดยไม่จำเป็นต้องทุกก็ได้เนี่เป็นหลักของพระพุทธศาสนานะส่วนอันอื่นๆนี่อย่างเราทั่วไปเนี่ยนึกไม่ออกนะสุขเดี๋ยวก็ทุกเดียเด๋ยวสุขเดี๋ยวทุก วนไปวนมาอยู่เรื่อยนะครับต่อไปก็องค์ที่เจ็ดสัมมาสติอ่านพร้อมกันนะครับกะตามาจาวุโสสัมมาสติอิทาวุโสพิกขุกาเยกายานุปัสสีวิหรารติอาตาปีสัมปชาโนสติมา วิเนยโลเกอภิชาโดมนัสสังเวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหรารติจิตเตจิตตานุปัสสีวิหรารติธรรมเมสุธรรมานุปัสสีวิหรารติอาตาปีสัมปชาโนสติมา วิเนยะโลเกอพิชาโดมณสังอายังวุจตาวุโสสัมมาสติต่อไปก็เรื่องสัมมาสติมีความระลึกโดยถูกมีความระลึกโดยถูกต้องโดยวิธีการที่จะทำให้ถึงความพ้นทุกข์ได้ระลึกนึกได้หรือว่ารู้สึกขึ้นมาได้เรียกว่าสตินะครับ กตามาจาวุโสสัมมาสติดูก่อนท่านผู้มีอายุสัมมาสติเป็นชนัยการระลึกการรู้ที่มันถูกต้องมันเป็นยังไงการรู้ของเราทั้งหลายมันก็มีอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่โดยส่วนใหญ่เราก็จะรู้เรื่องสิ่งที่มองเห็นทางตารู้ว่ามันเป็นนกรู้ว่ามันเป็นคนผู้หญิงผู้ชายรู้เป็นตึกรามบ้านช่องอย่างไงก็รู้ไป รู้สิ่งที่ได้ยินตั้งหูก็เสียงด่าเสียงชมอันนี้ก็รู้ไปนะส่วนใหญ่รู้มันจะออกไปข้างนอกแบบนี้เขาเรียกว่าขาดสติรู้เหมือนกันแต่รู้แบบขาดสตินะแต่จะเรียกเป็นแบบไม่ถูกต้องก็เรียกว่ามิจฉาสตินะรู้แบบไม่ถูกรู้แบบไม่ทำให้พ้นทุกจะทำให้ตัวเองเป็นทุกวนเปลี่ยนไปแต่ต่อมาเป็นการรู้เหมือนกันแต่รู้แบบสัมมาสติรู้แบบไม่หลงแบบรู้จริง อันนี้ก็เป็นการมารู้อยู่ที่กายที่ใจของตนเองนี้อิทาวุโสภิกขุกายเยกายานุปัสสีวิหรติดูก่อนท่านผู้มีอายุภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ตามดูกายในกายอยู่ตามดูกายในกายอยู่เสมอตามดูกายในกายอยู่อย่างเป็นปกติธรรมดาใช้ชีวิตไปแล้วก็คอยตามดูเฝ้าสังเกตกายของตนเองกายในกาย ลมหายใจเข้าหายใจออกอาการเดินยืนนั่งนอนเหยียดคูทํากิจการงานกิจธุระอะไรต่างๆหรือว่าตามดูส่วนประกอบในร่างกายต่างๆนี่ตามดูกายในกายเฝ้าสังเกตเฝ้ามองดูมันนะแต่เดิมเราไปเฝ้าสังเกตอะไรมับางคนมีปรากัดก็ไปเฝ้าสังเกตปรากัดต่อมาเราอยไปทําอย่างนั้นเฝ้าสังเกตตัวเองสังเกตกายอย่างนี้นะ อาตาปีสัมปชาโนสติมามีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะคือรู้ตัวมีสติมีความระลึกได้วิเนยะโลเกอภิชาโดมนัตสังสามารถละอภิชาและโทมนัตในโลกได้อภิชาคือความยินดีเพลิดเพลินพอใจโทมนัตคือความไม่ยินดีไม่เพลิดเพลินไม่พอใจขัดเคืองใจไม่ชอบนะ นี่ตามดูกายในกายละอภิชาและโทมานัตในกายหรือว่าในสิ่งต่างๆในโลกได้อันนี้เป็นสัมมาสตินะครับตัวสัมมาสตินี้เป็นตัวระลึกระลึกในสิ่งที่จะทำให้ละความยินดียินร้ายได้ถ้าเราไปรู้ในสิ่งภายนอกเช่นของสวยของงามมันละได้ไหมละไม่ได้มันมีแต่เพิ่มนะมันมีแต่เพิ่มไปเรื่อยไปเรื่อยนะรับรู้เสียงชมเสียงดา รู้เรื่องคนนั้นคนนี้ละอภิชาโทมนัสได้ไหมละไม่ได้มันจึงกลายเป็นมิจฉาสติไปเนี่ยการรู้ที่ออกไปข้างนอกนั้นนําทุกข์มาหาตนเองเพราะว่าเกิดความยินดียินร้ายส่วนการรู้อยู่แต่ข้างในเฝ้าดูอยู่ข้างในกายใจของตนเองนี้ทําให้ละอภิชาโทมนัสได้เราไม่ไปสนใจข้างนอกใช่ไหมพอไม่สนใจข้างนอกมันก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายพอไม่ยินดีไม่ยินร้า ย, ย, ย, รายเราจะทุกกับมันไหม ไม่เป็นทุกข์กับมันนะเพราะว่าทุกข์ในกายในใจนี้โดยส่วนใหญ่แล้วที่มันเกิดขึ้นเยอะเพราะว่าเราไปเอาเรื่องข้างนอกเข้ามาทุกข์ไปยินดียินร้ายกับเรื่องข้างนอกกันแหละเราจึงเป็นทุกข์ถ้าเราไม่ไปยินดียินร้ายกับเรื่องข้างนอกทุกข์มันจะลดลงมากไหมลดลงมากนะลดลงเป็นอันมากทีเดียวนะอ่าหิวข้าวค่อยเป็นทุกข์ทีหนึ่งก็ยังพอว่าใช่ไหมไอเรานี่กินข้าวอิ่มแล้วไปเอาเรื่องข้างนอกมาเขาเถียงกันสองคนไม่เห็นด้วยกัน เราเป็นทุกข์ไปกับเขาหาเรื่องหาเรื่องใส่ตัวเองแท้ๆเลยนะฉะนั้นก็ต้องฝึกให้เป็นผู้มีสัมมาสตินะครับเฝ้าดูกายตามดูกายต่อมาก็เวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหรติเป็นผู้ที่ตามดูกายตามดูเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ตามดูความรู้สึกในกายก็ดีในใจก็ดีความรู้สึกทางกาย สบายกายไม่สบายกายเจ็บเคล็ดขัดยอกตรงนั้นตรงนี้ความรู้สึกทางใจสุขทุกข์อทุกขมสุขเฉยๆอย่างนี้จิตใจเหล่านี้นะความรู้สึกตามดูความรู้สึกเฝ้าดูความรู้สึกของตนเองจิตเตจิตานุปัฏฐสีวิหรติตามดูจิตในจิตอยู่ตามดูจิตของตนเองจิตมีราคะจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะ มีโมหะหลงคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือว่าไม่มีโมหะจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านจิตหลุดพ้นไม่หลุดพ้นจิตมีสมาธิหรือไม่มีสมาธิเป็นต้นนี่จิตมันเป็นยังไงก็ตามดูเฝ้าดูมันคอยดูคอยสังเกตมันนะถ้าคอยดูคอยสังเกตอยู่อย่างงี้มันก็ละอภิชาและโทมนัตในโลกภายนอกแล้วก็ในจิตต่างๆที่มันเห็นนี่แหละมันก็จะเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับความทุกข์ต่างๆมันก็จะลดลงเอง เห็นไหมพวกองค์ของสมาธินี้จะทาให้คุณธรรมฝ่ายดีหรือว่าความสุขมันเกิดขึ้นมาในจิตเยอะนะครับนะแต่ว่าปัญญาเนี่ยจึงจะทำให้เป็นอิสระได้แต่ตอนนี้กาลังพูดถึงองค์ของฝ่ายสมาธิซึ่งเป็นบาดฐานที่จะทำให้เกิดปัญญาต่อไปนะต่อมาก็ทำเมสุทรมานุปัสสีวิหรติ เป็นผู้ที่ตามดูธรรมะในธรรมะทั้งหลายอยู่ตามดูสิ่งต่างๆนะไม่ต้องแยกเรื่องว่าเป็นรูปเป็นนามหรือว่าไม่ต้องแยกว่ามันเป็นนั่นเป็นนี่แล้วนะเป็นคนที่มีปัญญาเพิ่มขึ้นก็ตามดูมันเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดเกิดแล้วก็ดับไปเหมือนกันเป็นของไม่เที่ยงเกิดมาแล้วก็เป็นทุกข์เป็นของไม่คงทนเป็นของไม่สามารถบังคับได้เป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของมองในแง่มุมของธรรมะ หลักความจริงอันนี้นะครับเนี่ยคอยดูคอยสังเกตอยู่อย่างนี้ก็ชื่อว่าสัมมาสติอาตาปีสัมปชานโนสติมามีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติวิเนยะโลเก อ, อภิชาโดมนัสสังละอภิชาและโทมนัสในโลกได้นะละอภิชาและโทมนัสไม่ใช่ละกายไม่ใช่ละเวทนา ไม่ใช่ละจิตไม่ใช่ละธรรมะนะละอภิชาและโธมนัตแต่ให้ตามดูกายกายดีหรือไม่ดีช่างมันดูมันไปเวทนาจะชอบหรือไม่ชอบช่างมันดูมันไปจิตดีหรือไม่ดีเป็นกุศลหรืออกุศลช่างมันดูไปธรรมะอะไรที่ผ่านเข้ามาสู่ใจและออกไปจากใจดูมันไปนะครับให้ละอภิชาและโธมนัตคือความยินดีความยินร้าย ความพอใจความไม่พอใจความอยากจะได้ความไม่อยากจะได้เนี่ยละอันนี้ส่วนสภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั้นให้ตามดนูนี่พอเข้าใจไหมต้องละให้ถูกตัวนะบางคนดูไปด้วยอยากละไปด้วยอย่างนี้นะต้องละความยินร้ายเช่นความโกรธเกิดขึ้นให้ตามดูความโกรธอย่าไปละความโกรธนะให้ละความอยากจะหายโกรธละโทมนัสที่ตามมานั้นนะ ความสุขเกิดขึ้นเราก็ตามดูว่าโอ้นี่มันสุขมันสงบไม่ต้องละความสุขไม่ต้องละความสงบละความอยากจะได้ความสงบนั้นถ้ามันเกิดขึ้นละความยินดีในความสงบนั้นอย่างนี้พอเข้าใจหมต้องละให้มันถูกตัวนะก็คอยดูไปนะครับดูไปเรื่อยๆนี่ตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูธรรมะ อันนี้เรียกว่าสัมมาสติความระลึกชอบการมีสติการนึกได้การระลึกได้การไม่หลงลืมเนี่ยแล้วแต่เราจะใช้คำนะครับก็คือการที่เราย้อนกลับมารู้อยู่ที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมะท่านใช้คำว่าการตามดูก็หมายถึงว่าเราอาจจะยังไม่เห็นความจริงของมันก็ได้แต่ให้มาตามดูมันบ่อยๆอะไรก็ได้ในกายในใจเรานี้ ดูแล้วยังไม่เห็นอะไรก็ไม่เป็นไรก็ดูไปคอยดูไปนะเพราะว่าตอนนี้เป็นการฝึกขั้นหมวดของสมาธิยังไม่เกิดปัญญานะครับเดี๋ยวมีปัญญามันก็จะเห็นเองทีเดียวนะมันก็คนละขั้นกันแต่ว่าแค่การมาตามดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมนี้เราก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นแหละมีความสบายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีคุณธรรมดีๆเพิ่มมากขึ้นแล้วเพราะว่าเป็นองค์ของฝ่ายสมาธิ นะครับต่อไปก็เป็นสัมมาสมาธินะเมื่อจิตมีสมาธิอันแท้จริงก็จะเป็นสมาธิลักษณะที่ท่านแสดงเอาไว้นี้ในที่นี้ท่านก็จะพูดถึงฌาน1 2 3และ4อันนี้เพราะว่าท่านพูดถึงสัมมาสมาธิที่เป็นอริยมรรคองค์อริยมรรกก็คือการฝึกฝนจนสัมมาสมาธินี้มันสมบูรณ์ไปนะครับถ้ายังไม่สมบูรณ์ก็ จะได้ช่วงต้นๆคือสามารถละกามได้ละอกุศลละธรรมทั้งหลายได้สามารถเป็นผู้มีใจปราศจากนิวรณ์มีจิตตั้งมั่นอยู่อย่างนี้ก็เป็นสมาธิระดับต้นๆ น, น, นะครับถ้าใครมีความสามารถก็เข้าฌานไปก็ได้แล้วแต่ถ้าคนที่ทำสมาธิจนสมบูรณ์ขั้นก็เรียกว่าพระอนาคามีอย่างนี้นะแล้วก็ฝึกฝนไปนะมันก็สมบูรณ์ไปตามลาดับของมันพวกศีล ส, สมบูรณ์ก็เป็นพระโสดาบัน สมาธิสมบูรณ์ก็เป็นพระอนาคามีแล้วก็ปัญญาสมบูรณ์ก็เป็นพระอาหารหันต์นี่พอเข้าใจอย่างนี้นะดั้นในการฝึกฝนนะครับให้มีปัญญาคือสัมมาทิฏฐินั้นนำหน้าจะได้ไม่หลงไปนะไม่ใช่พอท่านอ่านมาโอ้นี่เป็นเรื่องของฌานเราต้องเข้าฌานให้ได้สะก่อนกลายเป็นอย่างนี้ไปสิพูดเรื่องของศีลโอ้เราต้องรักษาศีลให้ดีสก่อนจึงจะปฏิบัติข้ออื่นได้ นั่นกลายเป็นอย่างนี้ไปสีอิอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะมันต้องแบบเป็นฝึกฝนให้ขึ้นมาในจิตเป็นคุณสมบัติในจิตนี่นะครับต่อไปก็เป็นเรื่องสัมมาสมาธินะครับในย่อหน้าสุดท้ายในหน้าที่4อ่านพร้อมกันนะกะตมโมจาวุโสสัมมาสมาธิอิทาวุโสพิกขุ วิวิจเจวะกามีหิวิวิจจะอากุสเลหิธรรมเมหิสวิตกังสวิจารังวิเวกชังปีติสุขังปะธมังชานังอุปสัมปัชชะวิหะรติวิตกะวิจารานังวูปัสมาอาจัตตัง สัมปัสสะดาังเจตโสเอโกดิภาวังอวิตกังอวิจารังสมาธิชังปิติสุขังทุติยังชาหนังตติยังชาหนังจะตุถังชาหนังอุปสัมปัชวิหรติอายังวุจตาวุโส สัมมาสมาธิอิดังวุจตาวุโสดุคนิโรธคามินีปฏิบดาอาริยสัจจังกะตะโมจาวุโสสัมมาสมาธิดูก่อนท่านผู้มีอายุสัมมาสมาธิเป็นชนหนความตั้งมั่นที่มันถูกต้อง ความมีจิตตั้งมั่นมีจิตไม่หวั่นไหวที่มันถูกต้องเป็นไนอิทาวุโสภิกขุวิวิจเจวะกาเมหิวิวิจจะอกุสเลหิธรรมเมหิดูก่อนท่านผู้มีอายุภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดแล้วจากกามทั้งหลายสงัดแล้วจากอากุศลแธรรมทั้งหลายนะนี่เป็นลักษณะของสมาธิที่ถูกต้องนะครับก็คือสงัดจาก กามทั้งหลายคือหมายถึงว่าเอาตัวเองออกมาจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสการยอมรับทางสังคมพิธีกรรมทางสังคมเงินทองตำแหน่งหรืออะไรต่างๆที่เราเคยยึดถืออยู่สิ่งเหล่านั้นไม่มีอิทธิพลเรากลายเป็นคนออกมาแล้วออกมาสงัดออกมาจากมันนะสงัดออกมาสังัดก็คือเราออกมาจากมันได้นะ การออกมาจากมันได้มาเป็นคนดูอยู่เฉยๆมันไม่มีอิทธิพลต่อจิตใจดูอารมณ์ต่างๆได้ผ่านมาผ่านไปอันนี้เขาเรียกว่าสังกัดออกมาสังกัดจากอากุศลธรรธมทั้งหลายคือในตอนนั้นไม่มีอกุศลธรรธมทั้งหลายที่จะมาครอบงำจิตใจให้ปัญญาเสื่อมเรืออะไรต่างๆพวกนิวรณ์ต่างๆการมฉันทะความยินดีพอใจก็ไม่มีพยาปาทะความเครียดแค้นหงุดหงิดใจไม่พอใจก็ไม่มี สีนมิธะความง่วงเหงาหานอนความหดทูเสื่องซึมท้อแท้ก็ไม่มีอุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจก็ไม่มีวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลก็ไม่มีนี่ส ง, งัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายนะพอสั ง, งัาจากอากุศลธรรมทั้งหลายจิตใจก็จะเป็นจิตใจอีกชนิดหนึ่งนะก็จะเป็นจิตใจที่มีความตั้งมั่นไม่หลงยินดีนร้ายใช่ไหม จิตใจที่สะอาดสว่างผ่องใสไม่ซึมไม่ทื่อเป็นจิตใจที่คล่องแคล่วว่องไวมีสติสัมปชัญญะดีปลอดโปรง่งเป็นเหมือนมีแสงสว่างอยู่ภายในมองอะไรก็ชัดเจนอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะครับถ้าฝึกฝนได้หรือว่าทําอย่างนี้บ่อยๆเข้าเพิ่มภูมิคมสัมมาสมาธิอย่างนี้บ่อยๆเข้านะครับก็จะเป็นผู้ชํานาญได้ชาหนึ่งสสส ตามแต่ความสามารถของแต่ละท่านไปแต่เวลาที่อริยมรรคเกิดขึ้นนะก็จะเป็นฌานระดับใดระดับหนึ่งเสมอนะครับแล้วแต่ฌาน1 2 3 4งามฌานใดฌานหนึ่งถึงในตอนเริ่มต้นเราฝึกอาจจะไม่ได้ฌานก็ได้แต่เวลาอริยมรรคเกิดขึ้นก็จะอยู่ใน4อย่างนี้นะอันใดอันหนึ่งนะครับถ้าสมบูรณ์นะก็เป็นพระอนาคามีนะจะได้ตลอดเลยหมายถึงว่าระดับจิตนี้จะ เท่ากับฌานเสมอท่านจึงเรียกว่าผู้มีสมาธิสมบูรณ์นี่อย่างนี้นะเหมือนกับพระโสดาบันเป็นผู้ที่มีศีลสมบูรณ์ตอนนี้เราก็ไม่ได้ผิดศีลอะไรเนาะแต่มีศีลสมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์หรอกต้องรอเป็นพระโสดาบันซะก่อนเแล้วจะรู้จักว่าเอ๊ศีล ส, สมบูรณ์มันเป็นยังไงนาะก็หมายถึงมีศีล น, นั้นอยู่กับจิตใจอย่างนั้นเป็นคุณสมบัติอันหนึ่งของจิตนี่จึงเรียกว่าอาริยมรรคไงนะพระนาคามี มีสมาธิสมบูรณ์เอ๊ะตอนนี้เราก็ใจไม่วอกแวกอะไรมีสมาธิอยู่แต่มันไม่สมบูรณ์เน่ยมึงคนก็เข้าฌานไปแล้วก็ยังไม่เรียกว่าสมบูรณ์เพราะว่ามันไม่ใช่คุณสมบัติของจิตนะครับคือมันมีการเสื่อมกลับไปกลับมาได้กลับกรอกได้หันหลังกลับได้อะไรได้แต่ของท่านที่เป็นอริยเจ้าแล้วท่านไม่มีการกลับมาอีกมันเป็นคุณสมบัติของท่านไปแล้วท่านมีแต่ไปข้างหน้าอย่างเดียวอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะมันต่างกันอย่างนี้นะครับ ฉะนั้นเราทำอะไรได้ก็ทำไปนะจนกว่าจะสมบูรณ์เป็นอริยมรรคนั่นแหละจึงจะแน่นอนนะครับนี้ฌานที่1ก็มีลักษณะว่าสวิตักกังสวิจารังวิเวกชงังปีติสุ ข, ขังปัธมังชานางอุปสมปัชชาวิหารติเข้าสู่ฌานที่หนึ่งที่ประกอบด้วยวิตกและวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ ในชาตที่หนึ่งก็จะมีทั้งวิตกคือความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้วิจารณ์คือการเค้าเคลียอยู่กับเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างนะครับซึ่งท่านฝึกแรกๆนะท่านก็จะเห็นว่าเดี๋ยวมีความคิดนั่นความคิดนี่โผล่เข้ามาถ้าท่านมีสติสัมปชัญญะดีมันก็จะไม่เข้าไปคลุกอยู่กับเรื่องพวกนั้นนะไม่เข้าไปเป็นทุกข์ด้วยก็จะยังมีความสุขที่เกิดจากวิเวกได้แม้จะยังมีความคิดมีวิตกวิจารณ์เรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ก็ เรื่องต่างๆเหล่านั้นก็ไม่ได้ดึงรากจิตใจเราไปไหนแล้วเพราะว่าเป็นจิตใจที่มีสมาธินะครับทีนี้ถ้าเฝ้าดูหรือว่ามีสติสัมปชัญญะมีจิตสงบแนมแน่นเพิ่มขึ้นพวกวิตกวิจารนี้ก็กลายเป็นของหยาบไปจริงๆความคิดนี้เป็นของหยาบมากนะใช่ไหมถ้าท่านมองดูท่านจะเห็นว่าโอ้ยมันเป็นของหยาบมากมันเหนื่อยมันหนักถ้าลองสังเกตดีๆนะแต่ถ้าไม่สังเกตหรือว่าจิตไม่มีสมาธิพอไม่เคยรู้จัก สภาวะที่มันหมดความคิดไปท่านก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะจริงๆมันเป็นเรื่องหนักมันเหนื่อยนะนะการที่คนมีสติสัมปชัญญะมีปัญญาจนมองเห็นว่าวิตกและวิจารนี้มันเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายมันก็จะลดลงไปเองแล้วหมดไปเองก็จะเข้าสู่ฌานที่สองนะครับวิตากะวิจารานางังบูปสมาเพราะความสงบระงับไปของวิตกและวิจาร ทำไมมันสงบระ ง, งับไปเพราะได้มีปัญญามองเห็นว่ามันเป็นของหยาบอยู่เป็นของน่าเบื่อหน่ายเป็นของไม่น่าเอานะครับก็จะเหมือนกับถ้าผมบูบ ม, มาก็คล้ายๆกับเรื่องหยาบๆเราทั่วไปนี่แหละถ้าเราเห็นว่าเรื่องไหนสําคัญอยู่เราก็ยังทํามันอยู่ใช่ไหมอ่าถ้าเราเห็นว่ามันไม่สําคัญแล้วเราจะทํามันไหมมันมากเรื่องอ่ะก็ไม่ทําก็เหมือนความคิดนี่แหละ ถ้าเรายังเห็นว่ามันจําเป็นหรือว่ามันยังเป็นเรื่องธรรมดาอยู่มันก็ยังคิดอยู่งั้นนะพอเห็นว่าอ้ยมันเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายน่าเหน็ดเหนื่อยมันก็จะรู้จักอีกอันหนึ่งอันนี้มันก็จะดับไประงับไปนะครับอันนี้แหละท่านเรียกว่าวิต ก, กะวิจารานังบูปัสมาเพราะความสงบระงับไปของวิตกวิจารณ์นะครับถ้าท่านฝึกให้มีสติสัมปชัญญะดีๆนะท่านก็จะรู้จักอันนี้เหมือนกันสภาวะที่ปราศจากความคิด ไม่มีความคิดมีแต่สติสัมปชัญญะนะครับนะถ้าเรารู้จักสภาวะอันนั้นเราจะรู้จักเลยว่าโอ้ยความทุกข์นี้มันมาได้ยังไงมันมาเพราะความคิดที่เกิดจากความไม่รู้และความยึดถือเท่านั้นเมื่อใดที่ปราศจากความคิดชนิดนั้นมันก็จะไม่มีความทุกข์เลยมีแต่สติสัมปชัญญะมีแต่จิตที่มีความสุขเบิกบานอยู่นะอันนี้ถึงจะไม่ถึงกับได้ฌาน2นะ ไม่ถึงกับแนบแน่นอย่างนี้ก็จะรู้จักเหมือนกันเพียงแต่อาจจะไม่นานแป๊บเดียวหรือว่าไม่เยอะไม่แนบแน่นเหมือนท่านที่ได้ฌานอัจชัดตังสัมปสาดนางังมีจิตผ่องใสในภายใ น, ยในเจตโสเอโกโิภาวางังมีจิตมีลักษณะเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นนะมีจิตเป็นธรรมะเอกก็หมายถึงมีจิตเป็นอารมณ์เดียวแน่ ได้เห็นจิตนั้นเป็นผู้รู้ผู้ดูที่โดดเด่นอยู่อวิตรกังอวิจารังสมาธิชงังปีติสุขขังทุติยังชาหนังก็เข้าสู่ฌานที่สองที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ความสุขชนิดที่สองนี้เป็นความสุขชนิดที่เกิดจากสมาธิคือจิตที่มีความตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ผู้มองอยู่ไม่เหมือนกับ ชาตที่หนาตที่หนึ่งนี้เกิดจากวิเวก ค, คือไม่มีเรื่องต่างๆมารบกวนได้นะเพราะจิตมีสมาธินะไม่หลงไปทางโน้นทางนี้เรียกว่าวิเวกเรื่องต่างๆมันก็รบกวนไม่ได้ก็มีความสุขแหละที่ท่านไม่มีความสุขเพราะเรื่องต่างๆมันรบกวนท่านได้ใช่ไหมพอรบกวนได้ก็โอ้โหวนเวียนไปกับเขาแหละแต่ถ้าใจมีสมาธิเรื่องต่างๆมันก็รบกวนไม่ได้คนจะเดินสวยเดินไม่สวยจะดา่าจะชมมันก็รบกวนไม่ได้ ก็เป็นสุขที่เกิดจากวิเวกต่อมาเป็นความสุขที่เกิดจากจิตมีความเป็นสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่อันนี้เป็นสุขอีกชั้นหนึ่งเป็นสุขที่ใกล้กับจิตขึ้นมาอีกนะครับต่อมาก็จะเป็นฌานที่3ก็มีสติสัมปชัญญะมากขึ้นจนกระทั่งฌานที่4มีสติบริสุทธ์เพราะอุเบกขาจิตก็จะมีความวางเฉย ต่อทั้งดีทั้งไม่ดีอะไรต่างๆแต่ว่าวางเฉยในแง่มุมของการไม่เข้าไปยุ่งด้วยยังไม่ใช่วางเฉยในแง่ของปัญญานะครับวางเฉยในแง่ของสมาธิก็จะอย่างหนึ่งนะถ้าวางเฉยในแง่ของปัญญาจะเป็นเพราะว่าเห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนเห็นว่าไม่มีอะไรน่าเอาแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นแล้วมันจึงวางเฉยอันนั้นเป็นวางแบบปัญญา แต่วางแบบสมาธิก็คือวางแบบว่าใจมีความวางเฉยอยู่เป็นอุเบกขาอยู่ไม่เข้าไปยุ่งด้วยนี่พอเข้าใจไหมไม่เข้าไปยุ่งด้วยเพราะว่ามันมีความสุขอยู่ในตัวมันเองแล้วจึงไม่ออกไปยุ่งข้างนอกฉะนั้นบางคนทำสมาธิถ้าไม่มีปัญญาสัมมาทิฏฐินาบางทีก็จะไปติดอยู่ตรงนี้ก็มีคือตัวเองมีความสุขไม่ไปยุ่งข้างนอกดีไหมดีดีเหมือนกันมีความสุขแต่สุขแบบสมาธิ นะแต่เราต้องการฝึกฝนเพื่ออันนี้เป็นแค่บาดฐานที่ทําให้เกิดปัญญาเท่านั้นเองนะครับต้องการวางเฉยด้วยปัญญาคือเห็นความจริงของสิ่งต่างๆไม่ใช่ว่าไม่เข้าไปยุ่งเท่านั้นนะแต่ว่าเห็นความจริงของมันด้วยแต่สมาธิเป็นลักษณะแค่ไม่เข้าไปยุ่งเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นท่านต้องสังเกตดีๆนะสมาธิกับปัญญานี่จะต่างกันสมาธิเป็นความวางเฉย ในแง่ของการไม่เข้าไปยุ่งกับอารมณ์ต่างๆปัญญาเป็นความวางเฉยเพราะเห็นความจริงของสิ่งทั้งปวงแล้วว่ามันเป็นของไม่น่าเอาไม่น่าเป็นจริงๆด้วยแล้วก็วางไปคนละชั้นกันนะครับฉะนั้นถ้าท่านยังไม่เห็นอะไรมากก็อย่าเพิ่งรีบวางก็แล้ว <c> ก <oughs> ันให้เห็นเยอะๆไว้นะบางคนรีบวางเหลือเกินเพราะอยากจะวางนานเหลือเกินแล้วอันนั้นมันวางด้วยสมาธินะวางไม่จริงนะวางด้วยสมาธินะครับอันนี้ก็ เป็นสัมมาสมาธินะครับก็เป็นอันจบอริยสัจ ท, ทั้งสประการนะครับพอจบแล้วท่านก็สรุปในหน้าที่หว่าอริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการนั้นอันพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมจักอันยอดเยี่ยมไว้แล้วที่ป่าอิสิปตนะมรึกขายวันใกล้กรุงพาราสีอันสมณะก็ดีพรามก็ดี เทวดาก็ดีมารก็ดีพรมก็ดีหรือว่าใครในโลกก็ดีไม่สามารถที่จะคัดค้านได้ก็คืออริยสัจส์4ประการนี้อันพระผู้มีพระภาคนั้นนำมาบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกกระทําให้ง่ายๆอันนี้นั่นแหละเป็นไงง่ายไหมอา้าวก็ท่านบอกกระทําทให้ง่ายๆแล้วนี่นะถ้ายังไม่ง่ายก็แสดงว่าตาเรานั้นมันพลามัวอยู่ เพราะว่าท่านก็ทําหน้าที่ของท่านอย่างดีที่สุดแล้วส่วนเรานั้นถ้ายังไม่เห็นเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราแหละทีนี้นะครับพระพุทธเจ้านํามาจําแนกเปิดเผยกระทําให้ง่ายเรียบร้อยแล้วถ้าเรายังดูแล้วอยังยากอยู่เราจะไปโทษพระพุทธเจ้าได้ไหมโทษไม่ได้เหมือนกันนะจะโทษตัวเองได้ไหมโทษก็ไม่ได้เหมือนกันแหละนะโทษความเบื่อมันก็มืนหนักกว่าเดิมฉะนั้นให้หาแสงสว่างจะดีกว่า นะครับนะก็เป็นอันจบสัจจะวิพังกระสูตรในคำพีมัชฌิมนิกายอุปริปันธาตแต่เพียงเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน